นั่งสมาธิแล้วกลัวผีจะแก้อย่างไรได้จะนั่งหรือไม่นั่งสมาธิทุกคนก็พร้อมจะกลัวผีอยู่แล้วก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกหรือสิ่งที่มนุษย์กลัวจริงๆคือความมืดของจิตพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าเนรกที่มืดมิด แสงอาทิตศาสตร์ไปไม่ถึงนั้นมีอยู่แต่ความมืดที่น่ากลัวกว่านั้นคือความไม่รู้ในใจมนุษย์นี่แหละจิตที่ไม่รู้นั่นแหละน่ากลัวที่สุดในโลกที่ตรัสเช่นนั้นก็เพราะนารกที่มืดมิดเปรียบเหมือนกรงขังที่มีวันปล่อยแต่ใจอันไม่รู้ที่มืดบอดคือคุกที่แน่นหนาขังสัพพสัตต์แบบไม่มีกาหนดปล่อย เว้นแต่จะหาทางแหกคุกกันออกมาเองเทียบว่าระหว่างคุมนรกที่มืดมิดกับผีตัวหนึ่งอันไหนน่ากลัวกว่ากันหากตอบว่าคุมนรกน่ากลัวกว่าก็แปลว่าเราอยู่กับสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีอยู่แล้วเพราะความไม่รู้น่ากลัวกว่าคุมนรกเสอีกการนั่งสมาธิแบบถูกทางพุทธ คือโอกาตือนรู้ขึ้นเอาชนะความไม่รู้หรืออีกในยะหนึ่งคือเครื่องมือแหกคุกแต่หากกลายเป็นตรงข้ามนั่งสมาธิผิดมุมมองและอยากถอยไม่กล้านั่งสมาธิต่อเช่นนั้นก็นับว่าน่าเสียดายมากเหมือนใครอุตส่าห์แอบยื่นกุญแจให้แต่รับมางงงใช้ไม่เป็นเลยโยนทิ้งไปเสีย เมื่อนั่งสมาธิไปถึงจุดที่เกิดความกลัวเกิดความมืดวูบวาบหรือรู้สึกราวกับจิตถูกกระทบโดยมีความชั่วร้ายภายนอกจ้องจะทำร้ายคุณอยู่จิตของคุณมักสรุปว่ากำลังกลัวผีบางคนเคยเห็นมาก่อนจริงๆแต่เกิน 90% สเอร์เซ็นไม่เคยเห็นเลยในชีวิตหรือไม่ก็เห็นเงาไม้ไหวและทึกทักว่าเป็นผี ให้นึกถึงอุปาทานอันเกิดจากการเห็นเงาไม้ไหวแล้วเทียบกับจิตที่กำลังหวั่นไหวกระเพื่มมันมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสักแต่เป็นการกระเพื่มไหวแตกต่างกันก็ตรงที่กิ่งไม้ไหวไม่กลัวตัวเองแต่จิตกระเพื่อมไหวแล้วกลัวตัวเองได้ดูอยู่อย่างนั้นให้ได้สักสองสามลมหายใจอย่าให้เคลื่อนจากการเห็น ไม่ว่าจะเป็นความกดดันอึดอัดกระสับกระส่ายขนหัวลุกวับๆอยากเด้งตัวลุกขึ้นหรือกระทั่งวิ่งหนีคุณจะเห็นความกลัวที่เข้มข้นในอึดใจแรกหรือมีระดับไม่เท่าเดิมในลมหายใจต่อมาเมื่อกลับเข้มข้นขึ้นมาอีกก็ดูอีกตั้งใจดูซ้ําให้ได้เป็นร้อยๆรอบรับรองว่าผีในหัวทนสติที่ค่อยๆเจริญขึ้นไม่ได้ นั่นแหละเป็นการเผชิญหน้าความกลัวผีแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะว่าให้อยู่ในที่ที่กลัวจนกว่าจะหายกลัวคุณจะเริ่มกำจัดความกลัวผีได้จริงเมื่อแยกออกว่าเป็นผีในหัวหรือผีนอกหัว